ป่วยเพียงกายใจแจ้งกระจ่างในวาระสุดท้ายก่อนที่โยมมารดาจะจากโลกไปท่ามกลางทุกขเวทนากล้าที่พร้อมจะให้สิ้นชีวิตได้ทุกเมื่อท่านได้เข้าไปเยี่ยมและถามว่า อาการเป็นอย่างไรบ้างโยมมานดาได้ตอบว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จริงแต่ใจนั้นใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าโยมมานดาของท่านได้ประสบสุขโตนับว่า สมเจตนารมณ์ของท่านอย่างยิ่งที่ได้ทดแทนพระคุณโยมมารดาอย่างเต็มที่สมดังที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงสรรเสริญไว้ว่าผู้ใดทามารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในคุณความดีมีศรัทธาศีลปัญญาเป็นต้นผู้นั้นชื่อว่าได้สนองคุณท่านเต็มที่ มาได้จากโลกนี้ไปด้วยอาการอันสงบเมื่อมีอายุย่างเข้า93ปีตรงกับวันที่30พิพฤษภาคมพุทธศักราช2525และด้วยเหตุนี้เองในทุกๆปีของวันที่30พิพฤษภาคม วันทําบุญโยมมารดาท่านไม่เคยละเว้นและไม่ลืมที่จะทําบุญระลึกถึงพระคุณโยมมารดาสิ่งนี้ย่อมแสดงถึงความซาบซึ้งในบุญในคุณของโยมมารดาแบบไม่สางสา